พยาลมครั้นสอบสวนซักไซ่ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สองแล้วจึงสอบสวนซักไซ่ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษเจ็บป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูดและกรีดของตน ผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนอาหารเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถิดเราจะทําความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะ เจ้าไม่ได้ทําความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย่าสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทําให้เจ้าเลยเจ้าทําเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น ยายมครั้นสอบสวนซักไซร์ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สามแล้วจึงสอบสวนซักไซ้์ไล่เลียงถึงเทวทูตที่ ส, สี ว, สท ว, ทว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตที่สีปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์พระราชารับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแซ่บ้าง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 เฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกลันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรถโต้ด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัข ก, กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้าง ตัดศีสษะออกด้วยดาบบ้างเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่ะเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าได้ยินว่าสาต์ผู้ทำบาปกรรมไว้เหล่านั้นจะถูกลงอาญาด้วยประการต่างๆเห็นปานนี้ในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงชาติหน้าเอาเถิดเราจะทาความดีทางกายวาจาและใจ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 เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพยายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สีแล้วจึงสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่ห้าว่า เจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตายหนึ่งวันสองวันหรือสามวันพองขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกสัน้นเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเคยเห็นพระเจ้าค่าเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่า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 พี่สาวน้องสาวมิตรอมาตย่าสาโลหิตสมณะพราหมเทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น ายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่ห้านั้นแล้วก็นิ่งเฉยนายนิริยาบาลจึงลงกรรมกรชื่อเครื่องพันธนาการห้าอย่างคือตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป นายนิรยบาลฉุดล่าเขาไปเอาขวานถากและถึงนายนิริยบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศรีรษะลงเอามีดเฉือนและถึงจับเขาเทียมรถลั่นกลับไปกลับมาบนพื้นดินอันร้อนลุกเป็นเปลวชวดช่วงและถึงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนและถึง จับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงในโลหะกุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นเขาเมื่อถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมพีอันร้อนแดงนั้น แต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกกมหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วน มีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโฉดช่วงแผ่ไปไกลด้านละร้อยโยต์ตั้งอยู่ทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายเปเลวไฟแห่งมหานรกนั้นลุกโผลงขึ้นจากฝาด้านที่ตะวันออกจรดฝาด้านที่ตะวันตกลุกโผลงขึ้นจากฝาด้านที่ตะวันตกจอดฝาด้านที่ตะวันออกลุกโผลงขึ้น จากฝาด้านทิศเหนือจดฝาด้านทิศใต้ลุกโพลงขึ้นจากฝาด้านทิศใต้จดฝาด้านทิศเหนือลุกโพลงขึ้นจากเบื้องล่างจดเบื้องบนลุกโพลงขึ้นจากเบื้องบนจดเบื้องล่างเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป สมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการไปนานประตูด้านทิศตะวันออกของมหานรกนั้นจะถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วจึงถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันที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 อวัยวะที่ถูกแยกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีแต่เขาจะออกทางประตูนั้นได้ภิกษุทั้งหลายรอบรอบมหานรกนั้นมีคู่นรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในคู่นรกนั้น ในขูดนรกนั้นแหลสัตว์ปากเข็มทั้งหลายย่อมเจาะผิวเจาะผิวแล้วจึงเจาะหนังเจาะหนังแล้วจึงเจาะเนื้อเจาะเนื้อแล้วจึงเจาะเอ็นเจาะเอ็นแล้วจึงเจาะกระดูกเจาะกระดูกแล้วจึงกินเยื่อในกระดูกเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้น แต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 2. รอบรอบคู่นรกนั้นมีกุกุรนรกขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในกุกุรนรกนั้นจึงเสวยทุกเวทนากล้ายอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในกุกุรนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป 3. รอบรอบกุกุรนรกนั้น มีปางยิ้วขนาดใหญ่สูงหนึ่งโยธมีน้ำยาว16องคุลีร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟในนิริยาบานบังคับเขาขึ้นลงที่ปางยิ้วนั้นเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในปางยิ้วนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป4รอบรอบปางยิ้วนั้นมีป่าไม้ที่มีใบเป็นดาขนาดใหญ่อยู่ เขาเข้าไปในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นใบไม้ที่เป็นดาบถูกลมพัดแล้วจะตัดมือเขาบ้างตัดเท้าบ้างตัดมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดหูและจมูกบ้างเขาเฉวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปห้า รอบรอบป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นจึงลอยไปในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นด่างนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างตามกระแสและทวนกระแสบ้างเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผดร้อนอยู่ในนรกแม่น้ำอันมีน้าเป็นด่างนั้นแต่ยังไม่ตาย ตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปภิกษุทั้งหลายในนิรยาบาลใช้เบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจเริญเจ้าต้องการอะไร เขากล่าวอย่างนี้ว่าเขาพระเจ้าหิวเจ้าค่ะนายนิริยบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้าแล้วใส่ก้อนโลหะอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจึงไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างผ่าไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างของเขาออกมาทางทวารหนัก เขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิริยบาลถามเขาว่าพ่อมหาจเริญเจ้าต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพรเจ้ากระหายเจ้าค่ะนายนิริยบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้า แล้วกรอกน้ำทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจึงลวกริมฝีปากบ้างลวกปากบ้างลวกคอบ้างลวกท้องบ้างพาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างของเขาออกมาทางทวารหนักเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป นายนิริยบาลจึงโยนเขาเข้าไปในมหานรกอีกภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้คิดว่าได้ยินว่าชนเหล่าใดทำบาปอกุศลกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้น จึงถูกในนิริยาบานทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอ๋นาเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค์พระองค์พึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์เราได้ฟังความนั้นจากสมณะหรือพรามอื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาใหม่ แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภพาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่ามานบเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานบเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนาน ส่วนสัตว์บุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในการใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความเกิดและความตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดและความตายสัตว์บุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบัน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 สูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จุลสุญญาตสูตร 2. มหาสุญญาตสูตรอัจฉริยภูตสูตร 4. พภักุลเทรัฉริยภูตสูตร 5. ทันตภูมิสูตร 6. ภูมิชะสูตร 7. อนุรุทธะสูตร 8. อุปยิเลสะสูตร 9. ภารละปันทิตะสูตร 10. เทวทูตะสูตร 4. วิพังควักหมวดว่าด้วยการจำแนกธรรม 1. พัทเทกระรัตสูตร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 บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจกมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพียนกับมจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียร์คร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแหลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลดาเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ดาเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ดาเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิด เ, เพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคลคลคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิด เ, เพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล คนหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลดําเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ดําเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันว่าในอนาคต เราเพิ่งมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แหละบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันว่า ในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล บุคคลงอนแ่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตว์บุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้าง พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณ้ดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลาย บุคคลงอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหลบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริย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 ไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างทิสุทั้งหลายบุคคลไม่งอนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล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 บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับม จ, จุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าเราจะแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เธอทั้งหลายเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นด้วยประการฉนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพัทเทกรรัตสูตร ที่ 1. จบ 2. อ, อ, อนันทะพัตเทกรัตสูตรว่าด้วยพระอานน์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญพระพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระอานน์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาใบปฏิบัติเร้าใจให้อาถานกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถา และกล่าวอุเทศและวิพังแห่งบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญอยู่ในหอฉันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเข้าไปยังหอฉันแล้วประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัต เราใจให้อาหารกแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคะถาและกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญอยู่ในหอฉันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานน์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถารแกล้า ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทามีกถาและได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญอยู่ในหอฉันพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีประภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อห า, านฐา้เกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาและได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญไว้อย่างไรท่านพระอานน์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล่ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาอย่างนี้ และได้กล่าวอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญว่า<ม>บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง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 เพราะว่าความผัดเพียงกับมจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียรคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ บุคคลคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิด เ, เพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล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 ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิด เ, เพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล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 เราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แหลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไร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 ไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่งอนงันในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหละ